คำว่าไม่ยอมสละคือใช้ 2-3 สคืนแล้วซักในวันที่4ยังใช้อีกไม่ยอมสละให้แก่พษุนีสิกขามานาหรือสมเนรีรูปอืน่นต้องอำบัดปาจิตตี